FM 89.5 m ม 89. z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการโฆษณาวารายดีดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวิพาศินสุวรรณและอาจารย์รัติการเจงจัดควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวารริี้ค่ะ ออกอากาศเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 ค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะในฐานะผู้ดำเนินรายการที่จะสัญหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในยามค่ำคืนแบบนี้ค่ะอาจารย์นัดวิภาค่ะค่ะอาจารย์รัติการนะคะเราทั้งสองคนมาจากสาขาโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีค่ะ สำหร mira, ับวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงกระแสของโลกของเราในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าวันที่5้ามิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมีประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังค่ะก็หลายๆประเทศนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเริ่มตื่นตัวนะหลังจากแบบ ผ่านวันสิ่งแวดล้อมโลกไปเนี่ยผ่านวันที่5มิถุนาที่ผ่านมาไปนะคะหลายประเทศก็เริ่มออกมาตรการคือเขาก็ทําอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเทศที่อยู่ในโซนพัฒนาแล้วนะคะเขาก็เริ่มออกมาตรการใหม่ๆมาเพื่อที่จะช่วยลดและควบคุมการใช้พลาสติกในประเทศของเขานะประเทศแรกที่ฉันจะเล่าให้ฟังก็คือ ประเทศอังกฤษค่ะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยออกมาถแถลงเลยว่าในเดือนเมษายน2563นหระคะหรือเมษายนปีหน้าเนี่ยเขาจะงดการจำหน่ายหลอดพลาสติกนะคะในร้านค้านะในซปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะไม่ให้จำหน่ายแล้วน ะ, ะจะจะลดการแบบใช้เลยแหละแล้วก็ต้องหาวิธีการนะคะที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นอย่างอื่นรวมไปถึงพวก แก้วพลาสติกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เขาก็จะห้ามจําหน่ายนะคะแล้วก็พวกคัตเติลบัตรนะที่เราใช้ปั่นหูนี่แหละค่ะก้านมันเนี่ยก็เป็นพลาสติกเขาบอกว่าเขาก็จะลดนะคะไม่ให้มีการใช้ไม่ให้มีการจําหน่ายโดยเขาเนี่ยจะออกมาเป็นกฎหมายเลยนะเริ่มใช้ในอีก1ปีข้างหน้าคือให้เวลาผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ให้เวลากับ ผู้บริโภคเนี่ยได้เตรียมตัวก่อนนะ1นปีเลยว่าถ้าปีหน้าเนี่ยไม่มีแล้วคุณก็ต้องหาทางปรับแล้วว่าคุณจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของการเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาจริงๆแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย<ๆ>เขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของพลาสติกมากๆเลยนะและในประเทศเราเองเนี่ยวินนี้ฉันก็ดีใจว่าเราก็เริ่มมีการตื่นตัวนะคะที่จะรณรงค์เรื่องของการลดใช้พลาสติกนะ อย่างเช่นเราเห็นในห้างสปปรรพสินค้านะคะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบวันที่เขาจะไม่แจกถุงพลาสติกเลยถ้าคุณไม่เอาไปคุณก็ใช้แขนหอบมานี่ล่ะค่ะฉก็เคยแล้ว ท, ทุกวันที่สี่นะคะของลืมเงบนบางทีทลืมลืมลืมจริงเพราะว่าเราทำเป็นนิสัยอันนี้ก็เคยมาแล้วเจอซื้อถุงไปใบละ30บาท เป็นถูกผ้าคือบางทีเราก็ช็อปสช็อปปิ้งเพลินเลยลืมไปเลยแล้วก็ลืมแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าสะดวกนะคะมีกล่องอยู่หน้าห้างเลยคกลเอาเต็นที่เลยก็ถามว่าดีไหมก็ดีดีมากๆด้วยจริงๆแล้วไม่อยากให้แค่มีเดือนระวังแต่นี่เขาเหมือนกับค่องลองเดี๋ยวจะช็อคนี่เขาบอกว่า ทําไมแคมเปญนี้มันถึงทํายากเย็นมากมายขนาดนี้นะคะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราซื้อของเนี่ยมันเป็นไปโดยนิสัยซ้อนถุงให้หน่อยสิใสอันนั้นเพิ่มขึ้นหน่อยสิใส่นนี้เพิ่มขึ้นหน่อยสิคือมันเป็นนิสัยของเราไปแล้วอะที่ตัวถุงรั่ ว, ว, ว, วซื้อน้ําปลาแบบเนี้ยซ้อนถุงให้หน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถุงพลาสติกที่ออกแบบมาที่โลตัสก็ดีบิ๊กซีก็ดีนะคะ จริงๆแล้วเขาออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับกับน้ําหนักที่มันพอดีพักหลังคุณเห็นไหมเวลาไปโรตาร์ถุงพลาสติกมันจะบางมากใช่เพราะที่ฉันซื้อน้ำยาซักผ้าค่ะยังไม่ทันไปถึงไหนเลยค่ะมันบาดถูกขาดดิฉันก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวใส่ถุงผ้าดิฉันเลยอัุนผ้าไม่ขาถูกบาทใช่ไหมคะแต่มันจะมีบางคนเนี่ยเขากลัวไม่ใช่กลัวบาทแต่กลัวหิ้วไปแล้วอ่ะไอ้ตูดของถุงอ่ะมันจะก้นถุงมันจะมันจะฉีกมันจะขาด แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เลยนะคือวิธีการของเขาเนี่ยก่อนที่จะเอาถุงพลาสติกมาใช้โดยเฉพาะห้างร้านที่ได้มาตรฐานแบบโรตันแบบ Big กซแบบนี้ค่ะเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วว่าเขาลองใส่ของน้ำหนักเท่านี้แกวงเรียบร้อยเลยว่าใส่แบบนี้คนเดินแกว่งด้วยท่าแบบนี้เนี่ยไม่ขาดแน่นอนมันจะหลุดมันจะอะไรยังไงได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะ แต่ก็ไม่ต้องไปลองนะสมมติว่าซื้อน้ำปลามาหนึ่งขวดแล้วก็ลองควงเล่นอย่างงี้ก็ไม่ต้อง ไ, ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะแต่จริงจริงแล้วถ้าซื้อน้ำปลาแค่ขวดเดียวก็ถือ ถ, อ ถ, อ ถ, อถไปเถอะค่ะให้มันอยู่ใกล้บ้านเนาะแต่ทีนี้พอพอเราไปซื้อของบิ๊กซีโลตัสบางทีเราก็จะเห็นว่าเข็นรถเข็นมาละแล้วเขาใส่ถุงอะ่ะบางทีหนึ่งรถเข็นเนี่ยเขาใช้ถุงพลาสติกเกือบจะหมดห่อเลยนะอ๋อซ้อนอันนี้ซ้อ น, อ, น, น, อ, นอันนี้ซ้อนแบบเนี้ยคือบางประเภทนี้แบบ เขาจะแยกให้เราไงอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าฉั้นไปซื้อนมกล่องกับผ้าอนามัยขอโทษนะคะคือพนักงานก็จะพยายามแยกให้อคือคือช่วงแรกๆเนี้ยสักประมาณปีที่แล้วพยายามแยกให้เลยอดบอกน้องเขาว่าอดทนหน่อยค่ะพี่ใช้ผ้าอนามัยไมินาเราก็จะแบบว่าเราก็จะไม่ใช้แล้วอ่าเงอบอกบอกคือเขาจะพยายามแยกให้แต่แต่เดี๋ยวนี้น่ฉันชอบมากนะเขาเริ่มถามแล้วว่าใส่รวมกันได้ไหมคะ หรือบางทีคือบางทีเราก็ไม่ยังไม่ทันบอกเขาไงเขาก็จะถามเลยว่าใส่รวมกันได้ไหมคะ บ, บอกได้เลยค่ะน้องเอาทุกอย่างใส่รวมเลยรบใดที่ไม่ใช่น้ํายาล้างห้องน้ําจะไปหใส่หมูสับเ อ, อ, อะไรที่มันอาจจะแบบมีมบ <น S 1> การปนเปือเป้อนของสารพิษแต่ว่าถ้าเป็นอาหารประเภทแบบ แห้งอยู่กับเปียกได้ไ้ยอย่างเช่นผักกาดดองกระป๋องเราควรจะเอาไว้กับหมูสับดีไหมใส่ไปเลยใส่ไปเพราะว่าจริงเราก็เดินทางกลับบ้านอีกไม่ไกลใช่พวกผักผลไม้อะไรแบบนี้นะคะคือใส่ถุงแล้วใส่ถุงอีกอะออคุณต้องใส่ถุงเวลาคุณไปช่างถูกไหมคะใส่ถุงช่างเสร็จมัดอีกมัดอีกเสร็จแล้วก็จะไปโยนไปอีกถุงหนึ่งหรือการซื้อกระดาษทิชชู่แบบนี้ กระดาษที่ชูเนี่ยมันไม่มีถุงพลาสติกไซส์ไหนหรอกที่มันจะหุ้มขนาดแบบ36มหวนได้แบบเนี้ค่ะแต่ทีนี้เขาก็ออกแบบมาแบบไม่ต้องใส่ไหมมันจะมีแบบมีที่หิ้วเลยอ่ะที่หิ้วให้เลยอ่ะเออก็ดีนะหแม้แต่น้ําบางบริษัทบางยี่ห้อเขาก็เริ่มมีที่หิ้วเออแต่นี้ใช่ใชของหลุดบ้างดีบ้างก็โอเคไปแต่ฉันคือดิฉันไม่ชอบอย่างหนึ่งนะบางทีดิฉันต้องใช้วิธีการอุ้มเอาเพราะว่าไอ จะเรียกว่าเป็นกระดาษแข็งหรอที่เขาทําเป็นที่ฮิ้วอ่ะคุณคะมันบาดมือมากเลยนะคะมันเจ็บมือรบกวนช่วยออกแบบให้มันช่วยถนอมมือหน่อยได้ไหมไหนๆแล้วจริงๆแล้วมันคงจะหนักเกินกว่าที่กระดาษเนี้ยมันจะรับได้หรือเปล่ามันก็เลยแบบเราเราต้องใช้มือใช้แรงดีมันนะคะไม่รู้ว่าแต่มันควรที่จะมีเทคโนโลยีบรรจุพัณฑ์มาช่วยเรานะนี่คณะเราเปิดสอน บุรีมันจุพันนะคือชอบยังไงช่วยช่วยถนอมมือผู้บริโภคหน่อยคือมือก็หยาบกระดาษมากพออยู่แล้วนี่จะต้องมีรอยบาดนี่หละคะเออพอเป็นกระดาษทิชชู่ที่ฉันก็เห็นเออวันก่อนไปซื้อของคือมันมันจริงๆแล้วคือการอุ้มหรือหรือใช้มือเกี่ยวตรงที่ที่เขาเป็นเป็นกระดาษที่เเป็นพลาสติกหุ้มอยู่นีะค่ะทิชชู่มันเบาเองจริงมือเกี่ยวก็ได้เลยนะแต่ก็จะมีเออ ลูกค้าบางคนเขาก็บอกไม่ได้เอาฟางมามัดให้ฉันเดี่ยวดีวเหฮิ้วอะไรเงยโอ้มัดเป็นแผงไข่เลยมันก็นะคือกลับไปบ้านแล้วมันราคาญเราด้วยไงอ่าตัดต้องตัดอีกแล้วก็ทิ้งอีกโอ้แต่ฉันชอบแบบที่เขาทําหิ้วมาแล้วก็มันไม่ได้หนักมากเลยจริงแล้วมันมันไม่ได้หนักจริงๆแล้วก็เราก็ใช้มือสอดแล้วก็หิ้วคือรถอ่ะมันรับรองมันไม่อยู่ไกลจากที่เราจอดหรอกหรือคุณใส่ในเออ ใส่ในรถเขน็นคุณก็เข็นไปพอถึงตรงนั้นคุกก็อุ้มใส่รถคุณประหยะัดได้เยอะใช่หรือบางทีที่ชู้บางบริษัทเขาก็เริ่มไม่มีแกนข้างในแล้วนะโอ้จุแกนนี่เอามาทําไมนะบางทีดิฉันดิฉันนึกมาถึงบ้านเวลาจะใช้เอาแกนออกแต่ <laughs> แกนมันเป็นกระดาษก็จริงนะแต่มันก็คือไม่รู้นในมุมของเรามันก็อาจจะไม่ใช่ของที่จําเป็นอ่าอาจจะเป็นได้ว่าอย่างเช่นแกนที่จะต้องใช้กับห้องน้ำสาธรารณะค่ะ เขาก็ต้องออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไปใส่ในภาชนะอะไรบางอย่างที่คนสามารถดึงออกมาได้ง่ายแบบนีหรือเปล่าแต่ที่เราเห็น <he en S 1> ทั่ว<ก>ไปนะมันเป็นมันเป็นแบบกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในบ้านมันมีแกนทุกอันเลยก็เผื่อถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแกนเราลดราคาหน่อยได้ไหมซ่ว ม, วมในบ้านซ้วมในบ้านบาง ท, ทีฉันก็เอาออกนะก็ในเมื่อมันมีแกนของที่ใส่ทิชชู่อยู่แล้วอ่ะมันแกนมันแกในแกนนะคะ <centro> <nt sleeve> ตอนตอนที่ค <performance> ิดเข้าคงออกแบบมาแบบอยู่ก็ให้มันอยู่ทรงให้ดูสวยเงหรอไม่ให้มันแบบทรงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอคะเออต่อไปเราควรจะซื้อทิชชู่แบบไหนดีคะอะอยากได้สิเมตรรูดเอาเองเนี่ยเออทำไมใหญ่ๆคะเออนะทำไมใหญ่ๆจะได้แบบไม่ไม่ต้องรูดนะเอออันนี้นี่เราพูดถึงแบบอันนี้ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านี่เขาก็แบบเขาเรียกว่ามีแคมเปญออกมาเยอะมากเลยนะปีปี2ปีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาถุงพลาสติกเนี่ย ถ้าเป็นสมาชิกก็ได้คะแนนเพิ่มอันนี้ดิฉันก็ชอบชอบนะถ้าเป็นร้านร้านกาแฟใช่ไหมเขาถ้าคุณเอาแก้วไป <ลด S 1> เขาก็จะลดร <10 S 1> า, าคาให้คุณลดบไปแล้วอย่างที่เราพูดกันว่าอของแบบนี้นี่มันต้องมันต้องปลูกจิตสำนึกนะคือมันไม่ใช่แบบว่าคือโอเคว่าส่วนหนึ่งนะคะในในเชิงของการสื่อสารเพื่อนโน้มน้าวใจเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีแบบมีของหลอกล่ออะคะ่ะเขาเรียกว่า incentive นะ เวลาที่เราอยากให้คนทําอะไรเนี่ยอาจก็ลดราคาให้นะให้คะแนนให้ของขวัญเลยพวกนี้เพื่อทําให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไอของแบบนี้เขาบอกว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้บางคนเนี่ยเกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนขึ้นอันนะ้ฉันยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่มีคนมามาโพสนะว่าเขาเอาแก้วกาแฟค่ะไปที่ร้านซึ่งไม่ใช่ร้านเฟรนชช่ายที่มี ที่ <Prom otion. S 1> มีแคมเปญใช่ให้ลดราคาเวลาเอาแก้วไปเนาะคนขายก็บอกว่าไม่ที่ร้านไม่มีโปรโมชั่นลดราคานะคะถ้าลูกค้าเอาแก้วมาเองเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ต้องการลดราคาแต่เขาต้องการช่วยลดการใช้พลาสติก ค, ค่ะตบมือตบมือให้ตบมือให้เอออันนี้เป็นตัวอย่างนะว่ามันได้เข้าไปสู่ในในจิตสำนึกและความตระหนักของคนนั้นแล้วอะ แ, แล้วเราอยากให้ ทุกคนเป็นแบบนี้จังเลยอ่ะดิฉันก็ภูมิใจนะคะเวลาที่ปฏิเสธถุงทุกครั้งที่เขาถามว่ารับถุงไหมคะลูกค้าเวลาไปซื้อของในห้างก็จะจะคือแบบอ่ะบางทีซื้อของลิปสติกเครื่องสําอางคือมันอันละนิดเดียวอันไม่ถึงฝ่ามือหรือซ้ำอันเล็กๆอะคะ่ะแล้วเวลาที่บางทีซื้ออันเดียวอะ่ะใส่ถุงกระดาษมาถุงใหญ่เลยแล้วโดยเฉพาะถุงกระดาษในห้างเนี่ยไปซื้อของบ่อยไงชอบซื้อเสื้อผ้าแบบเนี้ยดิฉันก็จะไม่รับถุงเท่าไหร่ แปลว่าถ้ามันโอ้มั น, ม, นมันใหญ่มากยังไงก็ต้องเอาถุงของเขามาแต่ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆเลยก็จะปฏิเสธการรับถุงเพราะว่าหนึ่งรกบ้านมากเอามาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรต่อคือบางที ม, มันเต็มกองกองเยอะมากมันกองเยอะมากมันให้บ้านเรารกซึ่งเออเราก็เห็นด้วยนะว่าการที่ลดลดการใช้ถุงแต่เพิ่มคะแนนให้เราเพื่อที่จะไป และจับจ่ายซื้อของแบบอื่นเราเราก็โอเคเราก็ยินดีอหรือว่าถ้าสินค้าไหนช่วยช่วยลดอย่างเช่นทิชชู่เนี่ยทีฉันไม่ไม่ซีเรียสเรื่องแกนแกนนะคือทรงมันจะไม่สวยมันจะไม่เป็นมวยอะไรก็ไม่มีขายแต่มันมีขายอยู่อที่ไปซื้อยี่ห้อที่ชายอะมันไม่มีมันมีแต่แบบนี้มันจะมีแบบบางๆอ่ะที่ที่เขาเอาเอาแกนออกไปแล้วอะโอ้เอาแกนออกไม่ได้มันบางมากเลยอะ ไม่ซีเรียสเลยทรงมันจะบูดเบี้ยวยังไงก็ขอให้มันอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่แบบไม่ได้ถูกแกะอะไรอย่างนี้น่ที่ฉันใช้ได้จริงๆว่ามันก็อาจจะต้องแบบเริ่มในะบางทีผู้บริโภคอะไม่ได้ซีเรียสแล้วอะคือผู้ผลิตยังซีเรียสเรื่องของการใช้แบบนี้อยู่แต่เวลาเราไปซื้อของเราไม่ไม่ไ ม, ไม่รับถุงเนี่ยนะคะแบบว่าดูสวยวันนั้นอะสวยมากมอบมงค่ ะ, ม ง, คะมงลงหัวแบบดูเป็นคนที่เจริญแล้วยังไงไม่ทราบดูภูมิใจเหมือนได้แบบว่า <laughs> เจตบัดเลยบางอย่างแบบไม่รับไม่รับค่าไม่รับถุงพลาสติกไ ม, ไม่ไม่ไม่รับค่าแบบว่าเออเวลาซื้อของก็จะแบบว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาถุงผ้ามาหรือว่าคือเวลาที่อยู่ในในในวันที่วันว่างของเราหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยดิฉันจะจะใช้กระเป๋าโดยใช้ถุงผ้าอยู่แล้วถุงผ้าเนาเนี่แหละแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ใส่กุญแจบ้านใส่อะไรใส่โทรศัพท์เพื่อที่จะออกไปข้างนอกบ้านเนี้นะคะก็ เอามาเลยค่ะใส่เข้ามาเหมือนเหมือนแบบ ท, ท่าทางก็จะเหมือนแบบหนีสา ม, มีออกมาซื้อของนิดๆเพราะว่ากลัวสา ม, มีเห็นก็รีบรี บ, รบหยิบใส่คือไม่เอาช็อปปิ้งแบ g อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยถุงนี้มันก็ใหญ่พอที่เราจะสามารถใส่อะไรต่อมีอะไรไปในนั้นได้เยอะอ่ะแต่ว่าโดยนิสัยแล้วนะที่ใช่เป็นคนชอบพกถุงผ้าหนึ่งสะดวกในการหิ้วคือแทนที่คุณจะ เออหิ้วถุงพลาสติกหลาย<ช>ถุงหลายใบเจ็บมือไปหมดเลยคุณก็เอาใส่ถุงใ้ง<พ> า, <พ>านี่<ด>แหละสะพายคะ่ะก็ไหลสุดนิดนึงก็ไม่เป็นไรดีกว่านิ้วล็อกอ่ะดิฉันก็พยายามคิดในทางที่ดีก็อย่าไปซื้อทีไรเยอะๆก็ได้เพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ก็ค่อยๆทย อ, อยซื้อไปหรือหรือบางคนเขาอาจจะมีลักษณะการจับจ่ายคือซื้อทีเดียวหนึ่งเดือนแบบนี้นะคะก็ดิฉันว่าใช่ลดเข็ เออทีฉันก็ทำแบบนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาแบบไปบางห้างสรรพสินค้าที่เขาเป็นแบบมีชั้น lady parking อ่ะเออฉันก็ไปจอดนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยชั้น lady parking มันก็มันก็มีความสะดวกสบายสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ไปจับจ่ายซึ่งส่วนใหญ่ ก, ก็เป็นคุณแม่บ้านนี่แหละค่ะไปซื้อของเข้าบ้านนะ ม, มันก็จะมันก็จะมีแบบลิฟต์ตรงตรงกับชั้นที่เราจอดรถเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของเยอะเนี่ยอย่างซื้อของเข้าบ้านเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกเลยนะคะ เข็นเข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นจอดรถยัดใส่ท้ายรถขับขับรถออกไปได้เลยก็ถือว่าสะดวกดีนะี่ฉันเคยไปสวีเดนวิธีการกำจัดขยะของเขานี่อเมซิ่งมากเพราะว่าสวีเดนเป็นเป็นไม่กี่ประเทศที่นำเข้าขยะเขาต้องการขยะเพื่อที่จะมารีไซเคิลหรือเอามา reuse โดยการเอามาทำถนนบ้างเอามาทำอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เขาสามารถที่จะกำจัดขยะนี้ได้อ่ะคะ่ะ หรือแม้แต่วิธีการทิ้งของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์คืออ่ะก็ต้องเข้าใจว่าบ้านเมืองแบบเนี้ยเขาไม่มีเอ่อซาเลง้งรับซื้อสองเก้านะคะคือไม่มีจริงๆเขาก็อ้าวโทรทัศน์มันเสียซ่ <ทำ S 1> อมก็ซ่อม<ะ>ไม่ได้ทํำยังไงเขาก็จะมีที่ทิ้งโดยที่เอาไปทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวบริษัทที่เป็นเจ้าของโทรทัศน์ที่ห้อ น, นั้นน่ะเขาจะมาเก็บเองแล้วเขาก็จะไปผ่านเอ่อกระบวนการอะไรไม่รู้แล้วแต่เขา กล่องกล่องนั้นเป็นลักษณะกล่องกระดาษแข็งแข็งเขาก็จะมีที่ทิ้งไว้ที่หนึ่งอ่าถ้าจะเป็นเศษอาหารเศษอะไรเงี้ยเขาก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาก็จะมีแบบในในหมู่บ้านของเขาใหญ่ๆเนี่ยคอมมูนิตี้ใหญ่ๆเนี่ยก็ก็จะมีที่ทิ้งขยะแบบเป็นศูนย์ทิ้งขยะของเขาไว้ซึ่งเราก็มองเ อ, อ๊อดีเนาะหรือขวดน้ํานี่มันมีค่ามากเลยเออถ้าดิฉันไปอยู่ยนี่เลยดิฉันรวยค่ะดิฉันจะเก็บขวดน้ําแล้วไปขายเพราะว่าถ้าขวด น, น้าบ้านเราไปขายนะด้วย คือวางปุ๊บมันได้เป็นเงินมาเลยคือคือคุณสามารถแบบเขาก็จะนับน้ํานับเครื่องมันก็จะนับแล้วเสร็จกันอ่ะมันก็จะออกมาแล้วมันมันเยอะมากไงคะจริงจริงๆก็ดีนะถ้าสมมุติว่าประเทศเราเอามาประยุกต์ใช้แบบสมมติว่าเราอยากที่จะไม่สมมุติเราอยากให้เป็นจริงเลย อ, อยากจะสอนเด็กอะ่ะเด็กตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยว่าเฮ้ยขยะเนี่ยมันมันมันมีคุณค่ามันมีมูลค่านะถ้าสมมติจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆเนี่ยเอาไปใส่ ในถังขยะเราได้เป็นแบบได้เป็นตังออกมา อ, มอะไรแบบนี้โอ้แต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะต้องแบบสอนกันนิดนึงนานะกลัวทีนี้ใช้ใหญ่เลยอยากได้ตังโอ้ไปขโมยของคนอื่นไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ว่าบางชุมชนในประเทศไทยก็มีการดณรงค์ทำแบบนี้นะคะเช่นคุณเอาขออยะไปแลกไข่คุณเอาขออยะไปแลกสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านคุณได้เลยบางชุมชนทีนี้เราก็อยากเห็นแบบ เยอะๆนะคะที่มันเกิดขึ้นอยากให้มีเรื่องของเอ่อเรื่องของการเขาเรียกอะไรปลูกฝังเนาะลดการใช้พลาสติกเนี่ยตั้งแต่แบบวัยอนุบาลเลยอะคือต้องช่วยกันสอนไม่รู้ว่าในระบบการศึกษาไทยอะค่ะจะเข้าไปอยู่ในแบบบทเรียนได้ไหมอะก็อยากให้ทำได้รอรัฐมนตรีศึกษาคนต่อไปใครไม่รู้ พูดพูดถึงเรื่อง เ, ออเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งซึ่งดิฉันไปอ่านประวัติของเขามานะคะชื่อเกรตาทุนแบรเป็นเด็กนักเรียนชาวสวีเดนเด็กหญิงคนนี้ค่ะเขาไม่ใช่เด็กหญิงแล้วเขาโตลว เ, เด็กอายุ1ิปีเนะะี่ยค่ะกลายมาเป็นผู้นำเคลื่อนไหวต่อต้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยาวชนทั่วโลกคือ มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เด็กคนนี้ประมาณปีสองพันสิบแปดก็คือปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นวิธีการของเขาคือ1หนึ่งเสียงหนึ่งพลังของเขาเนี่ยหยุดเรียนเลยหยุดเรียนทุกวันศุกร์นะคะถ้าให้ฉันจำไม่ผิดนะคะเพื่อไปประท้วงที่หน้าอาคารรัฐสภาของสวีเดนที่สตอกโฮล์มจะร้อนจะหนาวเขก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคือแล้วก็ พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยกลายเป็นต้นแบบแล้วก็มีนักเรียนมากกว่า1ล้านคนในหลายประเทศทั่วโลกเรียกร้องสิทธิ์แล้วเขาก็ได้รับเชิญให้ไปกล่าวในเวทีของออการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อปลายปี2018นะคะที่ประเทศโปลแลนด์คุณเชื่อไมฉันเห็นคลิปเด็กเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยผู้ใหญ่พวกเนี้ยผู้ใหญ่อย่างพวกคุณ น, นี่แหละ คือคุณคุณโตไม่พออ่ะคุณไม่โตพอที่จะพูดความจริงว่าคุณน่ะทิ้งภาระมาให้แบบคนรุ่นใหม่อย่างฉันนะผู้ใหญ่อย่างพวกเราคือขยะสังคมนิดนิดไม่เขาบอกว่าเป็นผู้สร้างภาระและปัญหาให้คนในอนาคตอย่างฉันเออก็ใช่ไงก็เราใช้อยู่แล้วเราก็ทิ้งไว้แต่เราตายก่อนใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยมันเป็นการแบบว่า การทำลายสิ่งวัต้อเราเนี่ยมันมันเหมือนกับมันทำกำไรให้คนเนี่ยไม่กี่คนบนโลกใบนี้ในขณะที่พวกคุณเนี่ยทำร้ายฉันมากเลยแล้วฉันจะอยู่ต่อไปอยังไงถ้าเกิดว่าฉันตายตอนอายุ8ปดสิบตอนนี้เพิ่งสิบหขยะกองเอเต็มไปหมดเลยฉันอยู่ยไม่ได้แล้วเด็กคนนี้ก็กลายเป็นแบบโอ้โหไอดอลเด็ดกว่านั้นคือเขาได้เป็นผู้เข้าชิงโนเบลสาขาสันติภาพด้วยคือเนี่ยเขากาลังบอกถึงแบบพลังเล็กๆของเขาแค่ ไม่รู้ฉันจะหยุดเรียนฉันจะเขียนป้ายไปประท้วงหน้ารัฐสภาฉันจะทํามันทุกวันอย่างงี้นี่แหละใครจะทําไมแล้วก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนกับว่าเด็กอะต่ อ, ต, อต่อต้านผู้ใหญ่ในทุกวันเนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยดีจะพูดนะว่าคุณรักฉันว่าคุณลักโลกแต่สิ่งที่คุณควรทำํำเนี่ยตอนนี้คือคุณต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างที่คุณต้องหยุดการกระทําที่มันทําลายโลกก็จริงนะอืมคือสุดยอดอะ่ะวิธีคิดคือง่ายๆแต่มันกระแทกใจนะ คือคุณไม่ต้องไปโอ้โหสร้างแคมเปญอะไรเยอะแยะติดเอ่อแท็กไปทั่วโลกอะไรไม่ทงคนเดียวทำจนกว่าจะเห็นชั้นนี่แหละใครจะทำไมแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นก็ต้องชื่นชมสื่อมวลชนเขาด้วยนะคะเพราะว่าเอ่อเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เองเนี่ยไม่มีความใส่ใจในเรื่องนี้พอคือถ้าไม่สนใจพอประเด็นของเดคนนี้มันก็จะถูกถู ก, ถกลบไปแต่บางเอิญมีคนหยิบยกขึ้นมาว่ามันกาลังจะเกิดอะไรขึ้น แล้วโหตอนที่ถ้านีฉันเป็นผู้ใหญ่นั่งในที่ประชุมสหประชาชาติดิฉันก็จะจะจะหน้ า, หายไประดับหนึ่งกันนะคะเด็กเขาก็พูดเลยว่าไม่คุณขโมยของของฉันนะอากาศของฉันคุณขโมยสิ่งแวดล้อมของฉันไปไปใช้จนหมดแล้วแล้วคุณเหลืออะไรให้ฉันน่ะแล้วอีกกี่ปีกี่ปีนี่แหละฉันจะอายุครบ80ดสิบฉันจะฉลองยังไงอ่ะในเมื่อพวกคุณเอา เอาสิ่งที่ดีของฉันไปหมดแล้วแล้วก็ทิ้งมะระดกขยะเอาไว้ให้นั่นแหลสิแล้วฉันจะทํำยังไงนี่อยู่ประเทศสวีเดนนะจริงๆ เ, ออเราก็ก็ถือว่าคือเด็กคนเนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างเนาะที่เขาไม่คิดว่าอุ๊ยฉันเสียงเดียวฉันจะไปทําอะไรได้งั้นฉันก็อยู่เฉยๆดีกว่าคื อ, คอถ้าคิดแบบนั้นเนี่ย ม, <า>มันอาจจะนะไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ใช่แล้วตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นแบบสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ที่เป็นตัวแทนของของคนรุ่นใหม่ไปทุกเวทีเลย แต่ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะคือไปด่าทุกเวทีแต่ไม่รู้ว่าเออแล้วผู้ใหญ่จะยังไงต่อไปเหร อ, อคาร์บอนฟุตปินน้นจะเลิกปล่อยเมื่อไหร่ไอสารอะไรนะที่จะทำให้โลกมันหายร้อนสักทีเนี่ยคุณจะยังไงคุณจะเลิกเมื่อไหร่เหรออุตสาหกรรมของคุณอย่างเงี้ยเออก็อออฝากไว้นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะว่าเราก็ขอเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางเล็ ก, ลกๆไงที่จะ เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฟังเราเยอะๆ <laughs> <laughs> อาทิละครั้ง <laughs> อาทิละครั้งแต่ช่วยกันฟังเยอะๆนะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะให้พกถุงผ้านะคะติดตัวไว้นะคะทิ้งไว้ในรถก็ได้ค่ะบางทีแบบว่าหรือหรืออาจจะไม่ใช่ถุงผ้าแต่เป็นถุงพลาสติกที่สามารถใช้ได้หลายๆแบบบางทีเรามีอยู่บ้านอยู่แล้วไม่ต้องไปหาซื้ออะไรละ ถุงถุงฟางอ่ะที่เราใช้กันบ่อยๆอ่ะแต่ถ้าใช้ดีก็ถุงผ้าดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นพลาสติกใช้ไปหลายๆครั้งมันก็ยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ถ้ามันอาจจะกําจัดยากนิดนึงนะก็ถ้าจะให้ดีเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ไป<พ>ไใช่พกถุงผ้าติดไว้ในรถเลยก็ได้ค่ะสมมุติว่ า, เ, าเราเดินเข้าไปในห้างอุ้ยเราลืมเราก็เดินกลับมาเอาได้ค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้น้องเขาก็ให้พกถุงผ้าไปแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาถุงพลาสติกนะคะ ก็ฝากไว้ค่ะว่าร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดการใช้พลาสติกแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่สำหรับคนรุ่นหลังๆนะคะน้องเขาจะได้ไม่ว่าเราไม่ว่าเราว่าเราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วนะคะสู้กันต่อไปค่ะค่ะก็ฝากไว้สาหรับสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โฆษณาวารตีสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี